การให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการกระทำที่งดงามโดยเพราะให้ด้วยความปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นการให้เงินนี่ น, นะก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าให้คนหนึ่งแต่อีกหลายคนไม่ได้รับมีคนเดียวที่ได้รับที่เหลือไม่ได้รับ คนที่เหลือนี้เขาก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีทำไมฉันไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาหรือทำไมฉันไม่ได้เหมือนอย่างเขานะแล้วก็บางทีก็เกิดความรู้สึกไม่ดีกับคนที่ได้รับนะคือเกิดความอิจฉานะมันก็ทำให้ผู้ที่ได้รับนี่เดือดร้อนขึ้นมาอ่า เพราะว่ามีหลายคนหมั่นไส้นะหรือว่าไม่พอใจที่ได้แต่คนอื่นไม่ได้นะก็ธรรมชาติของเราเนี่ยมันก็ย่อมนะมีความอยากมีความโลภอยู่เป็นธรรมดาถ้าคนอื่นได้แต่ตัวเองไม่ได้เนี่ยนะก็ย่อมเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจเกิดความอิจฉา ความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยแน่นแฟ้นในหมู่คนกลุ่มเดียวกันก็เริ่มนะจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่น้องหรือว่าคนที่ทำงานในหน่วยงานเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะบางครัง้งบางครั้งผลเสียเกิดขึ้นกับผู้รับด้วยนะผู้รับมือได้ไปแล้ว ก็คาดหวังว่าจะได้อีกถ้าได้อีกก็ไม่เป็นไรแต่ไปทาไม่ได้อีกนี่ก็จะรู้สึกเสียใจจะรู้สึกว่าเนทําทำไมเ้าไม่ให้ฉันละฉันทำผิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเ้าไม่ชอบฉันหรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนเคยให้ แต่ว่าคราวนี้ไม่ให้แล้วบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยพอให้บ่อยๆเขาก็เกิดความเข้าใจว่าการให้ของเราหรือการช่วยเราคือหน้าที่วันนี้คืนนี้เราไม่ได้ให้เขาก็หาว่าเราเนี่ยบกพร่องในหน้าที่นะหรือบางทีเขาคิดว่าเนี่ยที่เขาได้เนี่ยเพราะเขาทำดีแต่ก่อนก็ทำดีด้วยเจตนาดีแต่คราวนี้ทำดีด้วยความคาดหวังรางวัล พอไม่ได้รางวัลก็บอกว่าฉันไม่ทำแล้วต่อไปนี้ทำแล้วไม่ได้อะไรทำดีแล้วไม่ได้ดีนะทนี่แต่ก่อนเนี่ยก็ทำอย่างมีความสุขนะแม้ว่าจะไม่ได้อะไรเลยแต่พอมีใครสักคนเนี่ยให้เพราะว่าชื่นชมไอ้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปกลายเป็นความคาดหวังทำดีเพราะคาดหวัง อย่างนักเรียนหรือว่าลูกๆเนี่ยนะขยันเรียนนะประพฤติดีครูหรือพ่อแม่ก็ให้รางวัลอาจจะให้เป็นเงินให้ครั้งที่หนึ่งก็ยังไม่เท่าไหร่ให้ครั้งที่สองครั้งที่สามคราวนี้เด็กก็เริ่มคาดหวังแล้วว่าจะได้อีกส่วนครูหรือนักเรียนก็เห็นว่าส่วนครูหรือพ่อแม่เห็นว่าเออทําดีแล้วนะ ต่อไปไม่ต้องให้ก็ได้หรือว่าลืมให้หรือว่าให้น้อยลงขราวนี้แหละนะเด็กหรือนักเรียนนี้เขาจะมีความรู้สึกไม่สบายใจทำไมฉันไม่ได้อีกทำไมฉันได้น้อยลงฉันทำอะไรไม่ดีเหรือนะพ่อแม่ไม่รักฉันแล้วหรืออ่าคิดไปไกลเลยนะแล้วก็บางถีือขึ้นว่าเนี่ย ต่อไปฉันไม่ทำแล้วทำแล้วไม่ได้อะไรแล้วทำไปทำไ ม, ำไมตั้งแต่ก่อนนี้ก็เรียนด้วยความสุขนะหรือว่าปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นของดีแต่คราวนี้กลับมองว่าเนี่ยกลบมีความเข้าใจว่าทำเพื่อได้รางวัลเพื่อปรารถนารางวัลเพราะไม่ได้ก็ไม่ทำเลยไม่ขยันเรียนแล้วทาตัวแย่ลงไปนะ นี่ก็เรียกว่าเงินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดผลเสียนะต่อผู้ที่ได้รับด้วยนะมันเคยมีนะเด็กนักเรียนเล่นฟุตบอลกันเด็กเด็กเล่นฟุตบอลกันผู้ใหญ่ก็เห็นว่าดีนะออกกำลังกายให้เงินไปนะร้อยหนึ่งวันต่อมาเรืองที่ต่อมาเด็กมาเล่นอีกนะก็ให้อีกนะแต่ครงนี้ให้น้อยลงเพราะว่าอ่า รายได้ลดลงให้ไปห้าสิบอันที่ต่อมาเด็กมาเล่นอีกแต่ว่าผู้ใหญ่ให้แค่ยี่สิบเด็กบอกว่าต่อไปไม่มาเล่นละนะไม่คุ้มเหนื่อยเลยนะยี่สิบบาทไอ้แต่ก่อนนี่มาเล่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็เล่นเพราะความสนุกแต่พอได้เงินได้รางวัลคาดหวังแล้วว่าจะต้องได้จากคนเดิม พอไม่ได้จากเขาก็ไม่ชอบเขาหรือว่าคาดหวังว่าเราเล่นเนี่ยก็เพื่อเพื่อเงินจากแต่ ก, ก่อนนี้เล่นเพื่อสนุกตอนนี้เล่นเพื่อเงินแล้วพอไม่ได้เงินเนี่ยหรือได้เงินน้อยลงโอ้ไม่เล่นดีกว่านี่ธรรมดางมนุษย์นะซึ่งมันก็ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราการให้ถ้าเราให้ไม่เป็นหรือไม่ระมัดระวังเนี่ย มันก็ก่อให้เกิดผลเสียทั้งผู้รับผู้ให้แล้วคนที่ม่เกี่ยวข้องเวลาจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยแล้วคนก็ยากจนนะพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเลยนะว่าอย่าให้เงินนะอย่าให้เงินแม้เขาจะดูน่าสงสารยังไงเนะี่ย่าอย่าให้เงินเขาเลยนะเพราะถ้าให้เงินเขาแลนะ้วเนี่ย ผู้ป่วยคนอื่นก็จะไม่พอใจวําทำไมฉันไม่ได้และความสัมพันธ์ระหว่างคนนั้นกับผู้ป่วยคนอื่นก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว嘛ก า, าเกับความอิจฉามั่งละก็กลายเป็นว่าแทนที่จะช่วยเขานะช่วยผู้ป่วยกับทําให้เขาแย่ลงมีบริษัทเอามีหน่วยงานหนึ่งนะได้เงินมาจากการทําวิจัยผู้บริหารก็อยากจะเอาเงินจำนวนนี้มาแบ่งให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลืองานวิจัยใครพนักงานพิมพ์ดีคนไหนพิมพ์เยอะก็ได้เยอะคนไหนพิมพ์น้อยก็ได้น้อยใครที่ไม่ได้พิมพ์ก็ไม่ได้ก็ดูดีนะให้ตามความสามารถให้ตามผลงานปรากฏว่าเกิดปัญหาเลยนะเพราะคนที่ไม่ได้เนี่ยเขาบอกทำไมฉันไม่ได้ฉันก็ช่วยเหมือนกันนะคนนี้ก็จะอ้างบุญคุณเลยนะ เกิดความรสำรสาขึ้นมาในองค์กรเลยทั้งที่คนให้เนี่ยปรารถนาดีนะแต่ถ้าให้ไม่ทั่วถึงหรือว่าให้น้อยให้ไม่เท่าหมายถึงว่าให้ไม่เท่ากันเกิดปัญหาเลยนะทุกคนได้เหมือนกันแต่ได้ไม่เท่ากันเช่นเอาผ้าห่มไปแจกชาวบ้านเนี่ยโอ้ชาวบ้านดีใจนะแต่พอคนนึงเขารู้ว่าเนี่ยฉันได้ ผืนเดียวแต่คนอื่นได้สองผืนเนี่ยทุกเลยนะทุกกว่าตอนที่ยังไม่ได้ผ้าหมอีกนะเพราะว่าไงเพราะว่าคนอื่นได้มากกว่าฉันไม่ต้องพูดถึงว่าแจากให้บางคนแักบางคนไม่ได้รับนี่ก็ยิ่งไม่พอใจทเลาะ ก, กันอีกนะทเลาะ ก, กันระหว่างชาวบ้านอยู่เลยว่าทําไมเธอได้ทําไมฉันไม่ได้ทําไมเธอได้สองทำไมแต่ฉันได้หนึ่งแนะม้แต่ให้ของนี่ก็มีปัญหา ย่อไปแต่พ่อหอมหรือเงินเลยนะแจกหนังสือเนี่ยตาอมาเคยแจกหนังสือนะแสดงธรรมเดีวก็แจกหนังสือบางคนได้เล่มเล็กบางคนได้เล่มใหญ่หนังสือก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากแต่คนที่ได้เล่มเล็กนี้ไม่พอใจนะไม่มีความสุขนะมาขอแลกนะขอเอาเล่มใหญ่ทั้งที่ยังไม่ทันอา่านเลยนะแล้ ร, รู้ได้ไงว่าเล่มใหญ่ดีกว่าเล่มเล็กนะ นี่ขนาดเป็นหนังสือธรรมะนะแล้วก็คนฟังก็สนใจธรรมะนะแต่ก็ยังอดไม่ได้นะที่จะมีความอยากถ้าได้ทากคนอื่นได้เท่ากับฉันไม่เป็นไรแต่ถ้าคนอื่นได้มากกว่าฉันได้ดีกว่าฉันนี่อเป็นทุกข์เลยไอ้ที่แสดงธรรมไปตลอดชั่วโมงนึงไม่มีประโยชน์เลยนะพอถึงเวลาเขาอยากได้มากว่าคนอื่นนี่ขนาดคนสนใจธรรมะนะ ที่จริงใ่ไแต่คนส่วใหทำไมพระก็เหมือนกันนะนนถ้าเกิดได้ได้น้อยกว่าพระรูปอื่นเนี่ยหรือว่าพระรูปอื่นได้แต่ฉันไม่ได้นี่แม้จะเป็นของแม้จะเป็นปัจจัยสี่นะไม่พอใจนะว่าทำไมฉันไม่ได้เลยหรือทำไมฉันได้น้อยกว่าบางทีมันไม่ใช่ เ, เรื่องความโลภเหมือนเดิวนะมันเป็นเรื่องว่าเรื่องของศรัทธาด้วยทาไม เขาให้ฉันน้อยหรือว่าเขาศรัท ธ, ธาฉันน้อยไปศรัท ธ, ธาภาพ ร, รูปอื่นมากกว่ามันไม่ เ, เรื่องอัตตาไม่ใช่เป็นเรื่องของโลภะอย่างเดียวอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะคนสนใจธรรมะก็มีก็เป็นพระก็เป็นอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็แม้เราปรารถนาดีอยากจะช่วยด้วยการให้หรือว่าเราศรัท ธ, ธาอยากจะ แสดงความศรัทธาในการให้แต่ถ้าให้แม้เราจะระวังนี้ก็มีปัญหานะปัญหากับผู้รับปัญหากับผู้ให้และปัญหาคนอื่นเดี๋ยวพระในยุคนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมีความโลบสุกตะตุนไดง่ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นหน้าเทศกาลทําบุญละกฐินครนี้ทางแบงค์ชาติเนี่ยเขา ขอความร่วมมือนะอันนี้ประกาศเนี่ยจะไม่แพล้ละขอความร่วมมือว่าเนี่ยกระดาษเนี่ยเป็นธนบัตรเนี่ยขอร้องนะอย่าพับเป็นรูปนกหรือเป็นรูปอะไรก็ตามดอกไม้หรือว่าเย็บด้วยลวดอย่างที่เราเรียกว่าแม็กเนี่ยลวดเย็บกระดาษเนี่ยนะเพราะบางทีเราตั้งองค์กระถินองค์ผ้าป่าเนี่ยนะเราก็จะพับดอกไม้พับเอาธนบัตรมาพับเป็นนกเป็นเป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่ก็ ใช้ลวดเย็บ ก, กระดาษนี่ผูกหรือเย็บนะให้มันเป็นเป็นรูปเป็นร่างเขาบอกเนี่ยไอ้เงินพวกนี้เนนะพอมันกลับสู่แบงค์ชาตินะมันจะเข้าเครื่องและเครื่องก็จะบอกว่ากระดาษที่เป็นรูกระดาษที่มีรอยพับเนี่ยไอ้ธนบัตรที่เป็นรูที่เป็นรอยพับเนี่ยใช้ไม่ได้เสียนะจะไม่กลับคืนสู่ตลาดต้องเอาไปทิ้งมาหาศาลเลยนะทั้งนี่เงินก็ใช้ได้แต่ว่าต้องทิ้งกลายเป็นขยะ และแบงค์นบัตรนี่นะมันทําลายยากนะและ้วจะต้องพิมพ์ธนบัตรใหม่จํานวนเท่าเดิมสิ้นเปลืองทรัพยากรมากให้การทําบุญนี่มันก็บางทีก็สร้างปัญหานะโดยเพราะหวังดีแต่ว่าไม่เข้าใจนะเอาธนบัตรมาเย็บเอาธนบัตรมาพับเนี่ยนะมันก็สวยนะแต่ว่ามันก่อความเสียหายไม่น้อยเลยนะอันนี้เพราะนั่นก็พยายามน ะ, อ, ะอย่าพับ เอาธนาบัตรมาพับเป็นกระดาษเอาเป็นนกเป็นนะลแงงสิ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้ลวดแยกกระดาษเย็บ